50 languages. Twenty-five. Twenty. In the city. Dichen, I, I want to go to the t ฮาวายเอ็ดเด่์จ انا อยากดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองเหม่ยวชัยร์เคิ้วสต์มีจานาอดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะมเตชั่ซ่ชาดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะเหม่ย a ฮาวายเอ็ดเดย์แซนชก ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะแม่ฉันจะไปย้อยงฉันจกาด้องรแฉันกา้อ่งรแกาด่รคะแม่ฉันจะไปยด้องฉันตกา้องรแน่กาเมืองดรแผ่ฉันที่เมืองได้อย่างไรคะแม่ฉันจะไกาดิรฉันต้องรกางเมงแรม म ु झ ย एक ह ो่ารถที่ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ผมอยากเช่ารถที่โรงแรมนี่บัตรเนี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะนี่ใบขับขี่ของाิฉันค่นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะงดิฉน ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ้่คุณไปเมืองเก่าสิคะคุณไปเมืองเก่าสิคะคุณไปเมืองเก่าสิคะุณไปเมืองก่าวปอเสิคุมือง่สิคะคุณไปเมืองเ่าสิคุณไปอเ่คุณไปมือง่าสิคเือเาสิคะมืองเสิคุณไป่ะ่าคุณไปเมือ่สิค่าเมือสิค่ะกา ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะบันดราร์ก้าคีแร์กันยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะอกนก้ลาวก็มีอะไรบ้างคารุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด